ปละว น, นาสูตรว่าด้วยอุบลว น, นาภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีครั้นเวลาเช้าอุบลว น, นาภิกษุณีครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรละถึงได้ยืนอยู่ที่โคนต้นสาละซึ่งมีดอกบานสะพรั่งต้นหนึ่งลำดับนั้นมานผู้มีบาประสงจะให้อุบลว น, นาภิกษุณี เกิดความกลัวความหวาดระดุ่งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาอุบลวรร น, นาภิกษุณีถึงที่ยืนอยู่ได้กล่าวกับอุบลวรนนาภิกษุณีด้วยคาถาว่าภิกษุณีท่านเข้าไปใกล้ต้นสาละซึ่งมีดอกบานสะพรั่งถึงยอดแล้วยืนอยู่แต่ผู้เดียวที่โคนต้นสาละนั้นอันหนึ่ง ผิวพรรณของท่านไม่เป็นสองรองใครท่านไม่กลัวความสามหาวของพวกนักเลงเจ้าชู้หรือลำดับนั้นอุบลว น, นาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอะมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ทันใดนั้นอุบลวรรณาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัว จึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแหละอุบลวณาภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าแม้นักเลงตั้งแสนมาในที่นี้เราก็ไม่สะดุง้งแม้เพียงขนของเราก็ไม่วันไหวไม่สั่นสะเทือนมารเราแม้ผู้เดียวก็ไม่กลัวท่านเรานี้จะหายตัวไปหรือเข้าท้องท่าน แม้จะยืนอยู่ณระหว่างดวงตาท่านก็ไม่เห็นเราเราเป็นผู้ชำนาญในจิตเจริญอิทธิบาทดีแล้วพ้นจากเครื่องผูกทุกชนิดเราไม่กลัวท่านหรอกท่านผู้มีอายุลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าอุบลวันนาภิกษุณีรู้จากเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอุปละวันนาสูตรที่หจบ หจาราสูตรว่าด้วยจาราภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าจาราภิกษุณีครองอันตรวาสกละถึงจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปหาจาราภิกษุณีถึงที่อยู่ได้ถามจาราภิกษุณีดังนี้ว่าภิกษุณีท่านไม่ชอบใจอะไร จาราภิกษุณีตอบว่าท่านผู้มีอายุเราไม่ชอบความเกิดเลยมารผู้มีบาปกล่าวด้วยคาถาว่าเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมเสพกามใครให้ท่านยึดถือเรื่องนี้อย่าเลยภิกษุณีท่านจงชอบความเกิดเถิดจาราภิกษุณีกล่าวด้วยคาถาว่าความตายย่อมมีแก่ผู้ที่เกิดมาแล้ว ผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมประสบทุกข์คือการจองจาการฆ่าความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ชอบความเกิดพระพุทธเจ้าทรงแสดงทมเหตุก้าวล่วงความเกิดทรงให้เราตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อละทุกข์ทั้งปวงสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปประพบและดารงอยู่ในอรูปประพบสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้ความดับจึงต้องมาสู่พบอีก ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าจาราภิกษุณีรู้จากเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองจาราสูตรที่หกจบเจ็ดอุปจาราสูตร ว่าด้วยอุปจาราภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าอุปจาราภิกษุณีครองอันตรวาสกละถึงจึงนั่งพักกลงวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปได้ถามอุปจาราภิกษุณีดังนี้ว่าภิกษุณีทําไมท่านจึงอยากจะเกิดอุปจาราภิกษุณีตอบว่า ท่านผู้มีอายุเราไม่อยากเกิดในที่ไหนไหนมารผู้มีบาปกล่าวด้วยคาถาว่าท่านจงตั้งจิตไว้ในพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิตวสวัสดีเถิดท่านจากได้สวยความยินดีอุปจาราภิกษุณีกล่าวด้วยคาถาว่าพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิต ชั้นนิมมานอรดีและชั้นปรณิน ม, มิตวัสวัตดียังผูกพันด้วยเครื่องผูกคือกามจำต้องกลับมาสู่อำนาจมารอีกโลกทั้งหมดเร่าร้อนโลกทั้งหมดคุกรุนโลกทั้งหมดลุกโพล่โลกทั้งหมดสันส่นสะเทือนใจของเรายินดีแน่วแน่ในนิพานซึ่งไม่สันส่นสะเทือนไม่หวันไหวที่ปุตุชนเสพไม่ได้ มิใช่คติของมารลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าอุปจาราพิสุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอุปจาราสูตรที่เจ็ดจบ สีสุปจาราสูตรว่าด้วยสีสุปจาราภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้งนั้นสีสุปจาราภิกษุณีครองอันตรวาสกและถึงจึงนั่งพักลางวัลที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปหาสีสุปจาราภิกษุณีถึงที่นั่งพักได้ถามสีสุปจาราภิกษุณีดังนี้ว่า ภิกษุณีท่านชอบใจลัทธิของใครสีสุปจาลาภิกษุณีตอบว่าท่านผู้มีอายุเราไม่ชอบใจลัทธิของใครเลยมานผู้มีบาปกล่าวด้วยคาถาว่าท่านเป็นคนโลนเจาะจงใครจึงปรากฏตัวเหมือนสมณนะแต่ทำไมท่านจึงไม่ชอบใจลัทธิท่านประพฤติเรื่องนี้เพราะความงมงายหรือไร สีสุปจาลาภิกษุณีกล่าวด้วยคาถาว่าเจ้าลัทธิภายนอกพระาศาสนานี้ย่อมจมอยู่ในทิฐิทั้งหลายเราไม่ชอบใจธรรมของพวกเขาพวกเขาเป็นคนไม่ฉลาดในธรรมพระพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติในศักยะตรกูลไม่มีบุคคลอื่นเปรียบทรงครอบงำสิ่งทั้งปวงบันเทาเสียซึ่งมานไม่ปราชัยในที่ทุกสถาน พนแล้วจากกิเลสทั้งปวงไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยมีพระจักษุทรงเห็นธรรมทั้งปวงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นกรรมทุกอย่างหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิแล้วพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราเราชอบใจคำสอนของพระองค์ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่า สีสุปจาราภิกษุณีรู้จากเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสีสุปจาราสูตรที่8จบเก้าเสลาสูตรว่าด้วยเสลาภิกษุณี เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าเซลาภิกษุณีครองอันตรวาสกละถึงจึงนั่งพักกลังวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เซลาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุง่งความขนพองสยองกล่าวละถึงได้กล่าวกับเซลาภิกษุณีด้วยคถาว่าใครสร้างร่างกายนี้ ผู้สร้างร่างกายอยู่ที่ไหนร่างกายเกิดขึ้นที่ไหนร่างกายดับที่ไหนลำดับนั้นเซลาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ทันใดนั้นเซลาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยองกล่าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแหละเซลาภิกุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าร่างกายนี้ตนเองก็ไม่ได้สร้างผู้อื่นก็ไม่ได้สร้างอาศัยเหตุจึงเกิดเพราะเหตุดับจึงดับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลหวานลงในนา อาศัยเหตุสองประการคือรถดินและยางพืชจึงงอกขึ้นฉันใดคันธาตุและอายตนะหกเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยเหตุจึงเกิดเพราะเหตุดับจึงดับลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าเซลาภิษุนีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองเซลาโสตที่เก้า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 อารามของอนาถบิณกะเศษรษฐีเขตกรงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าวชิราภิสุนีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังครุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังจากฉันพัฒหารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักกลางวันถึงป่าอันธวันแล้วจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้น มารผู้มีบาปประสงค์จะให้วชิราภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุง่งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาวชิราภิกษุณีถึงที่นั่งพักแล้วได้กล่าวกับวชิราภิกษุณีด้วยคาถาว่าใครสร้างสัตว์นี้ผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์เกิดขึ้นที่ไหนสัตว์ดับที่ไหน ลำดับนั้นวชิราภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ท่านใดนั้นวชิราภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถา ครั้งนั้นแล้วชิวราภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่ามารเอย๋ยทิฏฐิของเจ้าเชื่อว่าอะไรเป็นสัตว์กองแห่งสังขารล้นล้วนนี้บัณฑิตจะเรียกว่าสัตว์ไม่ได้เลยเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่การสมมติว่าสัตว์ก็มีได้เหมือนคำว่ารถมีได้เพราะประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน อันหนึ่งทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดำรงอยู่และแปรผันไปนอกจากทุก์ไม่มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรอื่นดับไปลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวชิราภิกษุณีรู้จากเราจึงหายตัวไปณที่นั่นเองวชิราสูตรที่สิบจบภิกษุณีสังยุต จบบริบูณ์รวมพระสูตรที่มีในสังยุทธ์นี้คือ 1. อารวิกาสูตร 2. โสมาสูตร 3. กีสาโคตมีสูตร 4. วิชยาสูตร 5. อุปละว น, นาสูตร 6. จาราสูตร 7. อุปจาราสูตร 8. สีสุปจาราสูตร 9. เซลาสูตร 10. วชิวราสูตร พรหมสั่งยุติหนึ่งปฐ ม, มวรคหมวดที่หนึ่งหนึ่งพรห ม, มายาจนะสูตรว่าด้วยท้ามหาพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่โคนต้นอาชะปาลานิโครดใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลา ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเรนอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตะ ก, กะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้สำหรับหมประชาผู้รื่นรมด้วยอาไลา ย, ยินดีในอาไลาเพลิดเพลินในอาไลาฐานะนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนะกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ่งต่อเรา ข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเล่าอันนัตชริยะคาถาเหล่านี้ที่ไม่เคยทรงสดับมาก่อนได้ปรากฏแจมแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่าย แต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีชผู้กำนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จากรู้เห็นไม่ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นดังนี้พระไทยก็น้อมไปเพื่อการขนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้น ท้าวจามบดีพรมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระไถยไปเพื่อการขนขวายน้อยมิได้น้อมพระไถยไปเพื่อแสดงธรรมจึงหายตัวจากพรหมโลก มาปรากฏอยู่ณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าเบื้องขวาลงบนแผ่นดินประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เด็กกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคต ได้โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุทุลีในตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมเพราะจักมีผู้รู้ธรรมท้าวสหัมบดีพรมกราบทูลดังนี้แล้วได้กล่าวคาถาอื่นอีกว่าเนการก่อนทำที่ไม่บริสุทธิ์อันคนผู้มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธพระองค์ โปรโทรงเปิดประตูอมตะนั้นเถิดขอเหล่าสัตว์จงฟังธรรมที่พระสัมพุทธเจ้าผู้ประศจากมนทินได้ตดรัสรู้แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระสมัตจักขุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดพระองค์ผู้หมดความเศร้าโศกแล้วก็ฉันนั้น เสด็จขึ้นสู่ประสาทเคอทำแล้วจกได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนข้าแต่พระองค์ผู้กแกล้วกล้าผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดจงทรงสแสดงธรรมเพราะจากมีผู้รู้ธรรม ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำทูลอาราธนาของพรหมและเพราะความมีพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุทุลีในตาน้อยมีกิเลสดุทุลีในตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อน มีอาการดีมีอาการสามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มีบางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มีมีอุปมาเหมือนในกออุบลในกอปทุมในกอปุนทริกดอกอุบลดอกปทุมดอกปุนทริก บางดอกที่เกิดในน้ําเจริญในน้ํายังไม่พ้นน้ําจมอยู่ในน้ํามีน้ําเลี้ยงอยู่ดอกอุบลดอกปฐุมดอกปุนทริกบางดอกที่เกิดใ म, ด Californ, ดน น, ะะน้ําเจริญในน้ําอยู่เสมอน้ําดอกอุบลดอกปฐุมดอกบุนทริกบางดอกที่เกิดในน้ําเจริญในน้ําขึ้นพ้นน้ําไม่แตะน้ําชั้นใด พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจทุลีในตาน้อยมีกิเลสดุจทุลีในตามากมีอินทรีย์แข่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็มีบางพวก มักไม่เห็นประโลกและโทษว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็มีฉันนั้นครั้นทรงเห็นแล้วได้ตรัสตอบเท้าสหัมบดีพรมด้วยพระคาถาว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟังจงปล่อยศรัทธาเถิดเราได้เปิดประตูอมตะแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านพรมเพราะเราสำคัญว่าจะลำบากจึงไม่ได้แสดงธรรมที่พราณีตคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ ลำดับนั้นท้าวสหัมบดีพรมคิดว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประธานโอกาสแก่เราเพื่อจะทรงแสดงธรรมแล้วจึงถวายเอาพิวาาพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นแลพรมมายาจนะสูตรที่หนึ่งจบ สองคาระวะสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงสักระเคารพธรรมข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ใต้ต้นอาชะาลานิโครดใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาตาตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จลิกเล่นอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่า บุคคลผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงย่อมอยู่เป็นทุกข์เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์คนไหนหนอแลอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดําริดังนี้ว่าเราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งศีลขันที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีศีลสมบูรณ์กว่าเราที่เราจะพึงสักกะรัเคารพ อ, อาศัยอยู่เราพึงสักกะรัเคารพ อ, อาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งสมาธิขันที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีสมาธิสมบูรณ์กว่าเราที่เราพึงสักกะรัเคารพอาศัยอยู่เราพึงสักกะรักเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาขันที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์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 ยยเราพึงสักระเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งวิมุตติญาณทัศนะขันที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์กว่าเรา ที่เราพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่ทางที่ดีเราพึงสักการะเคารพรมที่เราตัสรู้แล้วนั่นแหลอยู่ครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้าฉะนั้น ครั้งนั้นแลเท้าสหาบดีพรมห่มผ้าเฉวียงบาข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเดียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทรงศักระเคารพ อาศัย ร, รมอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตทรงสักการะเคารพอาศัยรรมอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ขอจงสักการะเคารพอาศัย ร, รมอยู่เถิดท้าวสหัมบดีพรมกราบทูลดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาอื่นต่อไปอีกว่า พระสัมพุทธเจ้าในอดีตพระสัมพุทธเจ้าในอนาคตและพระสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในปัจจุบันผู้กระจัดความเศร้าโศก ข, ของสัตว์เป็นจํานวนมากให้พินาศไปทุกพระองค์นั้นล้วนเคารพพระสักธรรมอยู่นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลกุลบุตรผู้ใฝ่ประโยชน์มุ่งหวังความเป็นใหญ่ ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเคารพพระสัทธรรมคาระวะสูตรที่สองจบ 3. พรหมเทวสูตรว่าด้วยพระพรหมเทพ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีสมัยนั้นบุตรของนางพรามณีคนหนึ่งชื่อพรหมเทพออกบวชในํำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระพรหมเทพหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียร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 ก็แลท่านพระพรหมเทพเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้นเวลาเช้าท่านพระพรหมเทพครองอันตรวาสศกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณทบาทยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณทบาทในกรุงสาวัตถีตามลําดับตรอกแล้วเข้าไปยังที่อยู่แห่งมารดาของตนสมัยนั้นนางพรามณีมารดาของท่านพระพรหมเทพ ถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมเป็นนิดครั้งนั้นท้าวสหัมบดีพรหมดำริว่านางพรามณีผู้มารดาของท่านพระพรหมเทพนี้ถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมเป็นนิดทางที่ดีเราพึงเข้าไปหานางแล้วทำให้สลดใจลำดับนั้นท้าวสหัมบดีพรหมยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวกับนางพรามณีมานดาของท่านพระพรหมเทพ ด้วยคาถาทั้งหลายว่านางพรามณีท่านถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมใดเป็นนิดพรหมโลกของพรหมนั้นอยู่ไกลจากที่นี้นางพรามณีอาหารของพรหมไม่ใช่เช่นนี้ท่านไม่รู้จักทางของพรหมทำไมจึงบนถึงพรหมนางพรามณีก็ท่านพระพรหมเทพของท่านนั้นเป็นผู้ไรอุปธิถึงความเป็นอติเทพ ไม่มีกีเลสเครื่องกงวลเห็นภัยเนื่งเนืองไม่เลี้ยงดูผู้อื่นท่านพระพรหมเทพผู้เข้าสู่เรือนของท่านเพื่อบินทบาทเป็นผู้สมควรแก่ก้อนข้าวที่บุคคลพึงนำมาบูชาผู้ถึงฝั่งแห่งเวทอบรมตนแล้วควรแก่ทักษิณาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายลอยบาปแล้วไม่ถูกตันหาและทิฐิฉาบทาเป็นคนเยือกเย็น กำลังสแสวงหาอาหารอยู่อดีตและอนาคตไม่มีแก่ท่านพระพรหมเทพนั้นท่านพระพรหมเทพเป็นผู้สงบระงับปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังวางอาชญาแล้วในปุถุชนผู้ยังมีความหวาดหวัน่นและในพระขีณาสพผู้มั่นคงขอท่านพระพรหมเทพนั้นจงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศสาหรับบูชาพรมของท่าน ท่านพระพรหมเทพซึ่งเป็นผู้ปราศจากเสนามานมีจิตสงบระงับฝึกตนแล้วเที่ยวไปเหมือนช้างประเสริฐไม่หวั่นไหวเป็นภิกษุมีศีลดีมีจิตพ้นวิเศษแล้วขอท่านพระพรหมเทพนั้นจงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศสำหรับบูชาพรหมของท่านท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสในท่านพระพรหมเทพนั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหว ตั้งทักษิณาไว้ในท่านผู้เป็นทักินัยบุคลบคล น, น, น, น, น, น, น, นางพรามณีท่านเห็นมูนีผู้ข้ามโอคาได้แล้วจงทำบุญอันจะนำความสุขมาให้สืบสือไปท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสในท่านพระพรหมเทพนั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตั้งทักษิณาไว้ในท่านผู้เป็นทักินัยบุคคลนางพรามณีท่านเห็นมูนีผู้ข้ามโอคาได้แล้ว จงทาบุญอันจะนำความสุขมาให้สืบสือไปพรหมเทวะสูตรที่สาจบ 4. พระกะสูตรว่าด้วยพระกะพรหม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 อันหนึ่งเครื่องสลัดออกจากทุกอันยิ่งอย่างอื่นนอกจากฐานะแห่งพรมนี้ไม่มีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งของพระกะพรมด้วยพระทัยแล้วทรงหายพระองค์จากพระเชตวันแล้วไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้น พระกะพรมได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลเรีกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาณที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็ฐานะแห่งพรมนี้เที่ยงยั่งยืนติดต่อกันคงที่มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดา ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งเครื่องสลัดออกจากทุก์อันยิ่งอย่างอื่นนอกจากฐานะแห่งพรมนี้ไม่มีเมื่อพระกะพรมกล่าวเช่นนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระกะพรมดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระกะพรมถึงความโง่เขลาแล้วหนอะพระกะพรมถึงความโง่เขลาแล้วหนอ พกะพรมกล่าวฐานะแห่งพรมที่เป็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวฐานะแห่งพรมที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวฐานะแห่งพรมที่ไม่ติดต่อกันว่าติดต่อกันกล่าวฐานะแห่งพรมที่ไม่คงที่ว่าคงที่กล่าวฐานะแห่งพรมที่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาว่ามีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาและกล่าวฐานะแห่งพรมอันเป็นที่เกิดแก่ ตายจุติและอุบัติแห่งตนว่าฐานะแห่งพรหมนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งย่อมกล่าวเครื่องสลัดออกจากทุกอันยิ่งอย่างอื่นซึ่งมีอยู่ว่าไม่มีพระกะพรหมกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมพวกข้าพระองค์เจบสององค์บังเกิดในพรหมโลกนี้เพราะบุญกรรมมีอำนาจให้เป็นไป ล่วงชาติและชาราได้แล้วการอุบัติในพรหมโลกซึ่งถึงฝั่งแห่งเวทนี้เป็นที่สุดแล้วชนมิใช่น้อยย่อมปรารถนาเป็นดังพวกข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระกะพรหมท่านสำคัญอายุใดว่ายาวก็อายุนั้นสั้นไม่ยาวเลยพรหมเรารู้อายุแสนนิรพุทธของท่านได้ดีพระกะพรหมกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้มีปกติเห็นไม่มีที่สิ้นสุดล่วงชาติชราและความเศร้าโศกได้แล้วอะไรเป็นศินลวัตเก่าแก่ของข้าพระองค์หนอขอพระองค์จงตรัสบอกศิลวัตซึ่งข้าพระองค์ควรรู้แจ้งด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งข้อที่ท่านให้มนุษย์เป็นอันมากผู้กระหายน้า ซึ่งถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนได้ดื่มน้ำนั้นเป็นศิลวัตเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุดหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น 2. ข้อที่ท่านช่วยปลบปลื้มประชุมชนซึ่งถูกโจรจับที่ตรกูลเอนินั้นเป็นศิลวัตเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุดหลับแล้วเตื่นขึ้นฉะนั้น 3. ข้อที่ท่านข่มขี่ด้วยกำลังแล้วช่วยปลดเรื่องเรือซึ่งถูกหน้าผู้ร้ายจับไว้ในกระแสของแม่น้ำคงคาเพราะความเอนดูในหมู่มนุษย์นั้นเป็นศิลวัตเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุดหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น 4. เราได้เป็นอันเตวาสิ ข, ของท่านนามว่าตัปปะมานพเราเรียกเข้าใจท่านแล้วว่ามีความรู้ดีมีวัด ข้อนั้นเป็นศิลวัตเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุดหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นพุทธะพรมกราบทูลว่าพระองค์ทรงทราบอายุนี้ของข้าพระองค์แน่แท้แม้สิ่งอื่นพระองค์ก็ทรงทราบได้เพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นอนุภาพอันรุ่งโรธของพระองค์นี้จึงยังพรหมโลกให้สว่างไสวตั้งอยู่ พะน์สูตรที่สจบ